รัตนวัคที่ 9, สิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับบอกก่อน9ล่วงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมุรธาพิเศษแล้วที่พระราชายังไม่เสด็จออกที่รัตนายังไม่ออกเป็นปาจิตตีคำว่าของพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมุรธาพิเศษแล้วนั้น กล่าวตามประเพณีของบ้านเมืองเขาแบ่งคนเป็นสี่เหล่าคือกษัตริย์ผู้ป้องกันบ้านเมืองเหล่าหนึ่งพราหมณ์ผู้ฝึกสอนเหล่าหนึ่งแพทย์ผู้ค้าขายเหล่าหนึ่งสูตรผู้เป็นลูกจ้างเหล่าหนึ่งพวกกษัตริย์และพวกพราหมณ์จัดเป็นพวกมีสกุลคนในพวกนั้นสมสู่กันในพวกของตนเองเช่น ผู้เป็นกษัตริย์ก็คงหานางกษัตริย์เป็นคู่พราหมณ์ก็คงหานางพรามณีเป็นคู่ไม่สมสู่ด้วยหญิงในสกุลที่ต่ำลงมาเชื้อสายที่สืบลงมาจากท่านผู้เป็นเทือกเถาได้เจ็ดชั่วไม่ ป, ป่าปนถือว่าเป็นคนมีสกุลอย่างสูงในพวกของตนพวกกษัตริย์นั้นตรงกับพวกเจ้า มีหัวหน้าในพวกของตนมียศเป็นพระราชาผู้ครองแผ่นดินเมื่อกษัตริย์ผู้หนึ่งจะรับยศนั้นมีพิธีสมมุติด้วยหลังน้ำลงบนพระเศียรหรือด้วยให้สงสนานทั่วพระองค์ตั้งแต่พระเศียรลงมาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ามุรธาพิเศกรันได้รับสมมุติอย่างนี้แล้วจัดว่าเป็นพระราชาเต็มที่ในสิกขาบทนี้ กล่าวถึงพระราชาชาติกษัตริย์ผู้ได้รับมรราพิเศษแล้วอย่างนั้นเพื่อจะแสดงว่าไม่หมายเอากษัตริย์เป็นเพียงชั้นเจ้าไม่พึงเข้าใจว่าหมายเอากษัตริย์ที่สืบเนื่องไม่ลักลั่นมาเจ็ดชั่วแม้หากจะเป็นกษัตริย์เพิ่งตั้งพระวง์ใหม่และได้รับสมมติโดยวิธีอื่นก็นับว่าเป็นพระราชาในสิกขาบทนี้ บทว่าที่รัตนะยังไม่ออกนั้นบาลีแห่งสิขาบทนี้เรียกพระมเหสีว่ารัตนะพระมเหสีอันเป็นคู่ควรแก่พระราชาจัดว่าเป็นรัตนะประการหนึ่งส่งเคราะห์เข้าในรัตนะเจ็ดของพระเจ้าจักรพัท ด, ดิราชและคำว่าอิทถีพันดานมุตตมังแปลว่าสตรีเป็นสูงสุด แห่งพันดะทั้งหลายก็หมายว่าเป็นรัตนะนั่นเองในสิกขาบทนี้ดูเหมือนมีบทตกอยู่แห่งหนึ่งคือห้องหรือตำหนักในคำพีวิพังกล่าวว่าตำหนักที่ผทมและแก้ต่อไปว่าในที่ใดที่หนึ่งก็ตามที่แต่งพระที่ผทมของพระราชาไวา้โดยที่สุดแม้วงด้วยม่าน ถ้าสิขาบทที่สแห่งจาริตวัคในวงเล็บอเจและกววัคห้าไม่ให้เข้านั่งแทรกแซงในสกุลที่มีแต่สามีกับภรรยาสิขาบทนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติซ้ำข้าพเจ้าจึงเห็นความว่าสิขาบทโน้นห้ามการนั่งแทรกแซงในเวลาเขาบริโภคอาหารสิขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดเก็บเอาก็ดี ให้เก right. In ็บเอาก็ดีซ <quality sounds> ึ่งรัตนะก็ดีซึ่งของสมมติว่ารัตนะก็ดีเว้นไว้แต่วัดที่อยู่ก็ดีในที่อยู่พักก็ดีเป็นปาจิตตีและภิกษุเก็บเอาก็ดีให้เก็บเอาก็ดีซึ่งรัตนะก็ดีซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดีในวัดที่อยู่ก็ดีในที่อยู่พักก็ดี แล้วพึงเก็บไว้ด้วยหมายว่าของผู้ใดผู้นั้นจะได้เอาไปนี้เป็นสามีจิตกรรมในเรื่องนั้นรัตนนั้นได้แก่ทองเงินและเพชรพลอยของที่สมมติว่ารัตนนั้นคือไม่ใช่ของที่เป็นตัวรัต น, นแท้เป็นของทำเทียมเช่นของรู ป, ปรพรรณอันชุบทองชุบเงินและของเครื่องประดับ เช่นฝังพลอยหุงหมายเอาความตลอดมาถึงเครื่องใช้สอยของคนทั่วไปของเหล่านี้ตกอยู่ในที่อื่นนอกจากวัดและที่พักห้ามไม่ให้ภิกษุเก็บเอาด้วยถือว่าเป็นของเก็บได้ก็ตามด้วยหมายจะให้เจ้าของก็ตามเพราะการเก็บของเช่นนี้มีทางจะต้องสำนองอาจถูกสงสัยในโจรกรรมก็ได้ คนมักง่ายมักถือว่าเป็นลาบแต่เป็นการเสียอยู่ธรรมเนียมบ้านเมืองในบัดนี้ผู้เก็บของตกได้ต้องเอาไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในกองรักษาภิกษุฟาฝืนสิขาบทนี้ต้องปาจิตตีในอัตถกถากล่าวว่าถ้าของนั้นเป็นนิสกิยาวะัตถุต้องนิสกิยปจิตตีถ้าภิกษุ ไม่ต้องสำนองเพราะของนั้นต่อไปก็ชอบอยู่ถ้ายังจะต้องสำนองเห็นต้องด้วยปรับศีขาบทนี้ถ้าของเช่นนั้นตกในวัดที่อยู่ก็ดีในที่พักอยู่ก็ดีไม่เก็บไว้หายไปไม่เป็นความดีความงามแก่เจ้าถิ่นอาจถูกสงสัยว่าเอาเสียก็ได้จึงทรงพระอนุญาตให้เก็บไว้ให้เจ้าของรัตนะ อันเป็นอนามา ก, ก็ชื่อว่าได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเพื่อจะถือได้หากมีใครมาตามเอาว่าเป็นเจ้าของอย่าพึงให้ไปโดยง่ายผิดตัวจะต้องสานองเหมือนกันพึงไล่เลียงให้เชื่อได้ก่อนจึงให้ในคำพีวิพังแนะว้ว่าให้กำหนดจำรูปหรือเครื่องหมายอย่างอื่นไว้ถ้ามีใครมาตามเอาพึงสอบถาม ถ้าเขาบอกรูปหรือเครื่องหมายถูกต้องจึงให้ถ้าบอกไม่ถูกพึงบอกให้เขาหาเองจะหลีกไปจากอาวาชนั้นพึงมอบไว้ในมือเครือ่พดีผู้สมควรคำแนะนำนี้กล่าวชอบเป็นหลักฐานของตกอยู่ในอารามหรือที่พักภิกษุไม่เก็บไว้ชื่อว่าลกิจวัตรท่านปรับอาบัติทุกกดในสิกขาบทนี้ พระอธิกาถาจารย์สงเคราะห์การรับของฝากของกระหัดเก็บไว้ด้วยอธิบายตามเขานี้มากมายการรับของฝากของกระหัดเก็บไว้นั้นบางคราวก็นำมาซึ่งความเสียหายได้เหมือนกันแม้อย่างนั้นก็ต่างประเภทจากการเก็บของตกเห็นจัดเข้าพัวกันไม่ได้สิคราบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่อาลาภิกษุผู้มีอยู่แล้ว เข้าไปสู่บ้านในเวลาวิการเว้นไว้แต่กิตรีบคือทุระร้อนมีอย่างนั้นเป็นรูปเป็นปาจิติเวลาวิการในสิกขาบทนี้น่าจะหมายเอาเวลาคำ่ำเพราะสิกขาบทห้ามการเที่ยวในสกุลในจาริตวัคในวงเล็บอจเจและกะวักกล่าวเวลาบ่ายว่าปัชชาพัทและในที่นี้ ก็ห้ามการเที่ยวกลางคืนนั่นเองแต่ในคำพีวิพังแกว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วจนถึงอรุณใหม่เหมือนในสิกขาบทที่ห้ามฉันอาหารในเวลาวิการในโภชนาวัตรกิตรีบมีตัวอย่างดังท่านแสดงไว้เช่นภิกษุถูกงูกัดแม้เหตุอย่างอื่นเช่นภิกษุอาพาธอาจจะถึงความสิ้นชีวิตได้โดยรวดเร็ว จะรีบเข้าไปหายาหรือไปตามหมอหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นข้างวัดจะรีบไปพาคนมาช่วยระวังก็สงเคราะห์เข้าในกิจรีบนี้ได้อยู่รูปเดียวไม่มีภิกษุอื่นในวัดไปได้เข้าบ้านในการไม่ต้องอําลาเพราะสิกขาบทนี้เข้าในวิการแต่อําลาแล้วหรือเพราะกิจรีบไม่เป็นอาบัต เดินไปตามทางอันผ่านบ้านไม่ได้แวะและไปสู่อารามอื่นไม่ห้ามสิกขาบทที่4ว่าภิกษุใดให้ทำกล่องเข็มแล้วด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีด้วยเข่าก็ดีเป็นประจิตตีที่ให้ต่อยเสียนิทานต้นบัญญัติกล่าวว่าภิกษุเกิดเล่นกล่องเข็มกันขึ้นจึงได้ทรงบัญญัติห้าม เพื่อจะตัดการรบกวนช่างกลึงเพราะเหตุนั้นสิขาบทนี้จึงเป็นบัญญัติเฉพาะเรื่องให้ทำเองเป็นปาจิตีต้องต่อยกล่องเข็มนั้นให้แตกเสียก่อนจึงแสดงอาบาัติได้ปาจิตีชนิดนี้เรียกเพดน ก, กะปาจิตีมีสิขาบทเดียวเท่านั้นได้กล่องเข็มเช่นนั้นอันคนอื่น ทำไว้แล้วมาใช้สอยเป็นกล่องเข็มต้องทุกกดเพราะในสิขาบทกล่าวถึงกล่องเข็มอย่างเดียวของอื่นเช่นลูกดุมลูกทวินตะบันไฟกลักยาตาไมา้ป้ายาตาและอื่นๆท่านอนุญาตแต่พึงเข้าใจว่าไม่ใช่ของที่เล่นฮือกันถ้าทำขึ้นในเวลาที่เล่นฮือกันอนุโลมตามต้นบัญญัติ ไม่ผลจากทุกกฎกระมังสีขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำเตียงก็ดีตัางก็ดีใหม่พึงทำให้มีเท้าเพียงแนิ้วโดยนิ้วสุขตเว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต่ำเธอทำให้ล่วงประมาณนั้นได้เป็นปะจิตตีที่ให้ตัดเสียเตียงนั้นเป็นของที่ทำยาวพอนอนได้ ต่างนั้นเป็นของที่ทำสั้นไม่พอจะนอนใช้เป็นที่นั่งตรงกับหมาถ้าเมงก็ดีให้ทําก็ดีให้ล่วงประมาณต้องปาจิตตีต้องตัดเท้าเตียงเท้าต่างซึ่งเกินประมาณนั้นเสียก่อนจึงแสดงอาบัติได้ปาจิตตีชนิดนี้เรียกว่าเฉดน ก, กะปาจิตตีมีหลายสิขาบท นอกจากนี้กล่าวถึงผ้าทาั้งนั้นได้ของที่เขาทำเกินประมาณไว้มาใช้สอยนั่งนอนทั้งอย่างนั้นต้องทุกกฎตัดเท้าให้ได้ประมาณเสียก่อนใช้ได้ส่วนม้าสี่เหลี่ยมพอเฉพาะก้นนั่งเรียกว่าอาสันธิและตังมีพนักสามด้านตรงกับเก้าอี้มีแขนเรียกสัตตังคะ เป็นของที่ทรงอนุญาตไว้แผนกหนึ่งและต่างมีพนักด้านเดียวตรงกับเก้าอี้ไม่มีแขนเรียกปัญนจังคะเป็นของอนุโลมสัตตังคะมีเท้าสูงกว่าประมาณก็ใช้ได้สิขาบทที่6ว่าอันหนึ่งพิกจุใดให้ทำเตียงก็ดีต่างก็ดีเป็นของหุ้มนุ่นคือยัดนุ่นเป็นปะจิตตี ให้หรือเสียคำว่านุ่นนั้นหมายเอาของที่เป็นปุยเกิดจากต้นไม้เกิดจากเถาวันแม้ดอกหญ้าเหลา่าแม้ฝ้ายก็นับเข้าในนี้เตียงต่างหุ้มนุ่นนั้นพึงเห็นดังเก้าอี้เบาสิกขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำผ้าสำหรับนั่งพึงให้ทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณในคำนั้น โดยยาวสองคืบโดยกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งด้วยคืบสุคตเธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตตีที่ให้ตัดเสียผ้าสำหรับนั่งนี้เรียกชื่อตามบาลีว่านิสีธนาะทรงอนุญาตเป็นบริขารพิเศษอธิษฐานไว้ได้ผืนหนึ่งในสิกขาบทนี้มีกำหนดประมาณเดิมยาวสองคืบ กว้างคืบครึ่งภายหลังภิกษุอ้วนโตนั่งไม่พอทรงอนุญาตเพิ่มชายอีกคืบหนึ่งเพราะคำว่าคืบหนึ่งเฉยเฉยไม่มีด้านยาวหรือด้านกว้างจึงพาให้นักวินัยสันนิษฐานต่างกันข้าพเจ้าจะยกไว้กล่าวถึงในหมวดบริหารบริโภคในเล่มสองถ้าเพ่งว่าชายนั้นทรงอนุญาตให้ต่อเพื่อจะได้นั่งพอ ก็น่าจะเข้าใจว่าให้ต่อด้านไหนแต่ถ้ากำหนดประมาณแห่งชายให้เกินคืบ1สี่เหลี่ยมก็เป็นข้อน่าจะดําริอยู่อธิบายพึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทที่5สิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำผ้าปิดฝีพึงทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณในคำนั้นโดยยาวสี่คืบ โดยกว้างสองคืบด้วยคืบสุคตเธอให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปะจิตตีที่ให้ตัดเสียผ้าสำหรับปิดฝีนั้นทรงอนุญาตเป็นบริขารพิเศษอธิษฐานใช้ได้ชั่วคราวอาผ้าเป็นเม็ดยอดเช่นฝีดาษสุกใสหิดตะมอยหรือเป็นผู้พองอันมีหนองมีน้ำเหลืองเปลือนเปด มีจำกัดประมาณไว้ในสิกขาบทนี้สิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุให้ทำภาพน้ำฝนพึงให้ทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณในคำนั้นโดยยาว6คืบโดยกว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบสุคตเธอทำให้ล่วงประมาณนั้นเป็นปาจิตตีมีอันให้ตัดเสียเรื่องภาพน้ำฝนนั้น ได้กล่าวแล้วในสิกขาบทที่4แห่งปตตวัคอันว่าด้วยการสแสวงหาและทำนุ่งสิกขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวรหรือยิ่งกว่าเป็นปะจิตตีมีอันให้ตัดเสียนี้ประมาณแห่งสุคตจีวอของพระสุคตในคำนั้นโดยยาว9ก้าคืบโดยกว้างหคืบ ด้วยคือพระสุคตอนุมานตามส่วนนี้สำเร็จสนิฐานว่าในครั้งก่อนคงใช้จีวรเล็กขนาดผ้าห่มหนาวชนิดใหญ่หน่อยข้าพเจ้าจักงดไว้กล่าวในบริขารบริโภคเล่มสองสรุปข้อห้ามในการ น, นี้การละเมิดข้อห้ามในการ น, นี้ให้ต้องอาบัติปาจิตตีเสมอกันแม้อย่างนั้น ความเสียยังยิ่งหย่อนกว่ากันมีฉันของไม่ได้ประเคนกับพูดมุสาเป็นตัวอย่างภิกษุผู้ไม่ได้พิจารณาให้แจ้งอัธรสนี้มีสับเพ่าก็จะสําคัญเห็นว่าล่วงได้ทั้งนั้นไม่เสียหายเพียงไรที่เคร่งก็จะถือเป็นสําคัญไปทุกอย่างจนเสียความสะดวกกบเจ้าปรารถนาจะให้ผู้ศึกษาวินัย ยังเห็นอัทรรถโดยถ่องแท้จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์จริงจึงแสดงข้อห้ามในการนี้จัดเป็นหมวดตามความเสียหนักเบาอย่างไรวางไว้พอเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นทางสันนิษฐานตั้งต่อไปนี้ 1. ข้ออันทำให้เป็นคนเลวคือกล่าวมุสากล่าวสออเสียดดื่มสุราเมรยัย โจทย์ด้วยสังฆาทิเศษไม่มีมูล 2. ข้อแสดงความ ด, ดุร้ายคือกล่าววาจาเสียดแทงให้เจ็บใจให้ประหารเนื้อมือทำอาการดุดเช่นนั้นฆ่าสัตว์ดิรละฉาน 3. ข้ออันทำให้เสียหายคือประจานความชั่วของกันและกันปิดความชั่วของกันและกัน นั่งในที่รับกับหญิงสองต่อสนอนร่วมในเขตกับผู้หญิงเดินทางกับพ่อค้าผู้ซ่อนเอาของต้องห้ามเข้ามาเดินทางกับหญิงแอบฟังความของผู้อื่นเห็นของตกถือเอาเป็นของเก็บได้ 4. ข้ออันสอความซุกซนคือเล่นจี้เล่นน้ําล้อนภิกษุซ่อนของเพื่อล้อเล่น พูดเย้าให้เกิดรำคาญ 5. ข้ออันทําให้เสียกิริยาคือรับนิมนต์ฉันไว้ก่อนแล้วไปฉันในที่นิมนต์ทีหลังไม่แบ่งขนมที่เขาถวายมาม่ากแก่ภิกษุอื่นเข้าไปนั่งแทรกแซงในสกุลที่เขากำลังบริโภคอาหารรับประวรณาเกินกำหนดบริโภคจีวรซึ่งวิกลับไว้อันยังไม่ได้ถอน น้อมลาบที่เขาจะถวายสง์มาเพื่อบุคคลตีเตียนภิกษุเจ้าหน้าที่ที่ผู้ทากิจสง์ไม่เอื้อเฟือในพระวินัยให้ฉันทะเพื่อทำกรรมอันเป็นธรรมแล้วบ่นว่าเมื่อภายหลังคุยอธิกรณ์ขึ้นทำใหม่เมื่อสงกำลังวินิจฉัยกิจการอยู่ไม่ให้ฉันทะลุไปเสีย พร้อมใจกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุรูปหนึ่งแล้วบ่นว่าเมื่อภายหลังหกข้ออันสออความสะเพร่าคือเอาเสนาสนะของสงฆ์ไปตั้งใช้ในที่แจ้งแล้วไม่เก็บเอาที่นอนปูไว้ในวิหารของสงฆ์ให้กิจที่เอาน้ำมีตัวสัตว์เทรถหญ้ารถดินบริโภคน้ำมีตัวสัตว์ เจ็ดข้อที่ล่วงแล้วให้เสียธรรมเนียมของภิกษุคือนอนร่วมกับอนุปสัมบัญิขุดดินรากภูตคามฉันคณะโภชนะห้ามโภชนะแล้วกลับชั้นอีกชั้นอาหารในวิกาลฉันอาหารเป็นสันนิธิชั้นของไม่ได้รับประเคนขอโภชนะอันประนีตไม่เจ็บ และผิงไฟนุ่งห่มผ้าไม่ได้ทำพินทุไม่บอกลาก่อนเข้าบ้านในวิการทำกล่องเข็มงาทำเตียงตัางมีเท้าสูงกว่าประมาณทำเตียงตัางหุ้มนุ่นทำจีวรและผ้าบริขารบางอย่างให้ล่วงประมาณพระสัสดาทรงบัญญัติศิขาบทเพื่อจะป้องกันโทษเหล่านี้แนะนำความดีความงาม มาเกตสาวก